بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونسعنه س ت إن الحمد لله نحمده ونسعنه و ن س ا ل س ت ح ي ونعوذ بالله من شرول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مدلأ ما ب ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ทั้งอินชาลอ้นครับวันนี้เราก็กลับมาพูดคุยกันต่อในส่วนของวิชาทับซิทหรือก็คือวิชาการทาความเข้าใจในคําพูดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์อยากจะให้เราเข้าใจเราได้เริ่มจากสุร้อนฟาติฮ์ซึ่งอินชาลอ้นวันนี้คงจะสรุปปิดในส่วนของสุร้อนฟาติฮ์ถ้ามีเวลาเราก็จะต่อสุร้อนนัสตอนนี้อยากให้ช่วยกันสรุปครับว่าสาระที่เราได้จากสุร้อันฟาติฮ์มุสลิมเราได้อะไรบ้างจากสุร้อนฟาติฮ์หรือที่ถูก เรียกว่าเป็นอุโมงคกิตาบแม่ของคัมภีทั้งเล่มแม่ของอัลกุรอานก็คืออัลฟาติยาก็าไปว่าเนื้อหาสาระในกุรอานทั้งหมดนั้นออกมาจากสุ ร, รัตฟาติยาสุร้อนนี้สุร้อนเดียวซึ่งเป็นสุร้อนที่เราใช้ในการละหมาดทุกวันครับอยากช่วยกันสรุปครับสาระที่ได้จากสุร้อนนี้จะเป็นความหมายจะเป็นประเด็นจะเป็นอะไรก็ได้ขอสรุปไปสักสาสี่ข้อแล้วเดี๋ยวผมจะปิดด้วยกับฮาริซีทาให้เราเข้าใจความหมายหรือว่าความยิ่งใหญ่ของสุ ร, ร้อนฟาติ亚马ขึ้นอินชาอัลลอฮ์ครับ บริุสลาโมตุลบาบารกกตุ้ยครับชุนเนี้ากาศแปรเปลี่ยนก็รักษาสุขภาพเป็นด้วยครับไม่ครับมีท่านใดอยากพูดอะไรเกี่ยวกับสุรฟา์ติฮาบ้างครับอะไรก็ได้เลยครับกว้างๆเลยครับผมขอเริ่มด้วยกับคุณอาสนวีได้ไหมครับอ่าครับขอชงหน่อยครับชงหน่อยคครับสร์ติฮคือราที่ถึงความดีะการขอขอความดีเจรรอในการปฏิบัติครับคุ เราทำดีแล้วจบเรียบครับเอโอเคครับทำดีแล้วก็คือสุรปัตย์เป็นสุราที่ว่าขอสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งอยากจะได้นี่ยก็คือการที่ได้อยู่ในหนทางที่อัลลอฮ์รักและในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ขอให้ได้อยู่ในแนวทางไม่ใช่ขอแค่ให้อัลอฮ์นำทางแต่ขอให้อัลลอฮ์ทำให้เราสามารถทําได้ด้วยแสดงให้เห็นถึงความและความสามารถของมนุษย์อย่างพวกเราแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ครับท่านเลมีอะไเสริมในส่วนของสุรฟัติฮะครับ จากสุลต่ฟาติฮะเนี่ยความประเสริฐ ข, ของสุลต่านฟาติฮะเราจะเข้าใจเอาล้อมากขึ้นเดี๋ยวผมจะที่ใบอีกีอินชาลอว่าเข้าใจเอาล้อมากขึ้นยังไงทางกลุ่มนี้ว่าไงครับสุลต่านฟาติฮะไม่เลยอยากจะพูดแต่กระเสิร์ไม่ ไ, ไ, ไ, ไม่มีปไปเลยไม่ต้องซีเรียสล้วข้ามก่อนที่ดได้ใครบอกโอเคครับงั้น <c oughs> เพื่อไม่ให้ซีเรียสเกนเกินไปผมสรุปเลยแล้วกันอ่าครับ ที่อยากจะสรุปให้ฟังนะครับจากคฤหิสในบันที่ยมามุสลิมที่ว่าด้วยกับสุรฟาติฮะที่จะทำให้เราเข้าใจอัลลอ์มากยิ่งขึ้นก่อนที่ผมจะเริ่มผมขอถามก่อนมีหนึ่งคำถามที่ว่าผมยังไม่เคยเจอไม่ว่าจะเป็นศาสนิกใดก็ตามนับถือศาสนาใดก็ตามที่เชื่อว่ามีพระเจ้าผมยังไม่เคยเจอว่าใครจะสามารถตอบได้แต่นี่เป็นคาถามพื้นฐานที่มุสลิมทุกคนต้องตอบได้ แต่ถ้าคนต่างาศาสนิกผมยังไม่เคยเจอใครที่ตอบได้คําถามที่ว่านั้นก็คือไม่รู้มีใครเคยสงสัยไหมครับเวลามนุษย์ขอจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ตอบถูกไหมครับตอบรับความเชื่อทุกความเ ช, เชื่อที่เชื่อมีพระเจ้าจะเชื่ออย่างนี้คือมนุษย์อยากได้อะไรก็ขอพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้ทีนี้ปัญหาที่ว่ามีการถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเวลาที่ว่าขอกันแบบติดๆกันนะครับพระเจ้า จะรับฟังทันหรือเปล่าสมมติตอนนี้คนประเทศไทยขอสมมตินะครับสมมติว่าเราว่า ม, พมีพระเจ้าเห็นความร่ำรวยที่เขานับถือกันแล้วถ้าคนในเมืองไทยขอคนในเมืองจีนขอคนในอินเดียขอถ้าขอพร้อมกันพระเจ้าจะรับฟังทันหรือเปล่าคเคยสงสัยไหมครับคําำถามนี้ผมถามแล้วผมยังไม่เคยเจอคนในศาสนาเดตอบได้เลย ผมยังไม่เคยเจอเขาอาจจะมีคําตอบแต่ผมไม่เคยเจอน่าจะชนกันใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่านี่คือพื้นฐานที่มุสลิมเราต้องเข้าใจแล้วตอบให้ได้เป็นเรื่องแรกๆเลยเป็นเรื่องแรกๆเลยวันนี้เรื่องของการชนกันอย่างอย่างที่เรารู้ก็คืออย่างที่ท่านบิบบัสละลองฮะเลสลัมบอกไว้นะครับว่าพวกเราจะลงมาที่ฟากฟ้าดุนยาในช่วงหนึ่งในสามคืึ่สุดท้ายบางคนก็บอกอา้าวถ้าอย่างนั้นสมมุติว่าโลกกลม คือผมใช้ค๊าว่าสมมุติเพราะทฤษฎีโลกกลมโลกแบนยังไม่มีข้อสืบที่แน่นอนเพราะแต่และทฤษฎียังมีอะไรที่ขัดกันอยู่แต่สมมุติว่าโลกกลมถ้าโลกกลมก็แปลว่าตอนนี้ฟากนี้หนึ่งในสามคืนสุดท้ายอีกชั่วโมงหนึ่งอีกฟากนึงหนึ่งในสาหนึ่งในสาหนึ่งในสาก็แปลว่ายี่บี่ชั่วโมงอ็ล้อต้องลงมาตลอดใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นหนึ่งในคําถามที่ว่ามุสลิมเองก็ไม่เข้าใจแล้วลึกๆมุสลิมเองก็งงว่าตกลงแล้วล้อจะจะจ ะ, จะรับคําขอของฉันยังไง เพื่อให้ตอบที่มุสลิมเราทุกคนต้องเชื่อมั่นแล้วเราต้องตอบได้อัลลอฮ์คือผู้สร้างเวลาย้านะอัลลอฮ์คือผู้สร้างเวลาเพราะองค์ทรงอยู่เหนือการเวลาคําว่าเวลาไม่มีขีดจากัดสําหรับอัลลอฮ์พอลรบอกว่าไงครับถ้าเราแค่เราคิดว่าหนึ่งวันปกติยี่ี่ชั่วโมงเนี่ยอัลลอฮ์จะฟังได้ยังไงบางครั้งเรายัางสงสัยแต่เวลานณที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ Allah บอกในสวรรค์ 1วันของสวรรค์เทียบเท่าหนึ่งพปีของดุนยาโอ้ยงนนั้คนในรอบ 1,000 ันปีขอนี่มันแค่วันเดียวในสวรรค์เพราะนั้นยำ้ยำย้ำผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างไม่เหมือนกันผู้ถูกสร้างคือพวกเราเนี่ยถูกตีกรอบด้วยกับคาว่าเวลาสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้เลยได้ถูกไหมครับคือเวลาผ่านแล้วก็ผ่านไปแล้วมันก็จบไปแต่สำหรับอัลลอ คำว่าเวลาไม่ใช่อุปสรรคสําหรับพระองค์และนี่คือความหมายของคําว่าพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือผู้ที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านทุกด้านที่ดีงามพระองค์ต้องสมบูรณ์แบบถ้าพระองค์ถูกตีกรอบด้วยกับคำว่าการเวลาพระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้าแล้ก็แต่ว่าพระเจ้าต้องมีการแก่ต้องมีการอะไรก็ตามแต่แต่สิ่งที่มุสโลิเวอร์เชมันก็คือพระองค์ไม่ถูกตีกรอบด้วยการเวลาเพราะฉะนั้นต่อให้ในหนึ่งวินาทีคนทั้งโลก 7พันล้านคนขอดูอาจากอัลลอ์พร้อมๆกันสำหรับพวกอัลลอฮ์มันไม่ใช่เรื่องอยากที่พระองค์จะรับฟังทุกคำขอแล้วก็ตอบทุกคำขอภายในวินาทีเดียวนี่คือพระเจ้าเพราะสิ่งที่แสดงสญญถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์คือสุรตฟาติฮะพวกเรารู้ไหมครับว่าทุกครั้งวันกุ๊งซารามตัวบราริกาทูครับดีๆต้รับพี่สาวแสนงามครับพี่สาวแสนสวยครับ มาแซวละครับผมมีคนงามมากกว่าดีใจครับเขากำลังอู้ถึงความิใหญ่ของอลาครับพี่ครับแล้วสิ่งที่ผมเคยบอกนะครับว่าพวกเราอย่าได้รู้สึกว่าเราต่ำต้อยเราในฐานะคนคนเดียวเนี่ยปักเจ ก, กชนเนี่ยอย่าได้คิดว่าเราต่ำต้อยเพราะทุกครั้งที่เรายืนตักบีรตุนเอียรอมทำการละหมาด อัลลอฮ์กำลังให้ความสําคัญกับเราอยู่ไม่ใช่เราเที่ให้ความสําคัญกับอัลลอฮ์นะบางทีเราละหมาดเราให้ความสําคัญบางทีก็ไม่ให้ความสําคัญใช่ไหมครับแต่ทุกครั้งที่บ่าวคนหนึ่งยืนขึ้นทําการละหมาดอัลลอฮ์จะให้ความสําคัญกับเขาทันทีนี่คือความรักความเมตตาของอัลลอฮ์ยังไงครับท่านอะบดุัมุสลาลฮ์หัวอะไรที่มูฮัซลัมได้พูดคําพูดซึ่งเป็นคําพูดของอัลลอฮ์และเรียกว่าเป็นไฮดิกรัสี ีน บ, บียกคพูดอัลลอ์หม่ทีอัลล์ผู้ทรงสูงส่งได้บอกว่าไงครับข้าได้แบ่งการละหมาดอัสซลาห์ ah. ในที่นี้หมายถึงการอ่านฟาติฮ์ในละหมาดฟาติฮ์ก็คือการอ่านอัลฮมดุะครับหมายถึงทุกครั้งที่มีบ่าวสักหนึ่งคนยืนขึ้นแล้วก็ทการละหมาตบิบอัลลอฮกบัตแล้วก็อ่านดอยิตาแล้วก็บิสมิลลาห์แล้วก็อัลฮมดุลิลลาฮิรบิลลาีอัลล์บอกว่าไงครับข้าได้แบ่งสุราฟาติฮ์ในตอนละหมาตเนี่ยเป ฟาติฮะในละหมาดเอาเราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นของค่าอีกส่วนหนึ่งเป็นของบ่าวของค่าที่เขากำลังละหมาดอยู่คนนั้นเอาราพูดถึงค น, คนเดียวเลยแปลว่าเราให้ความสำคัญระดับลากยาเลยระดับปักเกลียจนตีละคนเลยเอาเราบอกไงครับเมื่อบ่าวคนใดก็ตามเขาได้พูดว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนปกีเราอ่านกันประจาใช่ไหมครับ นบีบอกว่าเราจะพูดว่าไงครับอัลลอฮ์พูดทรงสูงทรงจะบอกว่าบ่าวของข้าได้เสรรเสริญข้าอัลลอฮ์ได้พงจะพูดทุกครั้งที่เรายืนละหมาดแล้วเราอ่านฟาตีฮ์คนทุกคนบนโลกทุกเวลาที่ละหมาดแล้วอ่านฟาตีฮ์อัลลอฮ์จะให้ความสําคัญกับเราแล้วอัลลอฮ์ก็จะพูดกับเราว่าบ่าวของข้ากําลังเสรรเสริญข้าอยู่นี่คือส่วนของอัลลอฮ์ อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาลามีนการสรรเสริญทั้งหลายผู้ที่คู่ควรมันในโลกนั้นคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ความสำคัญกับเราแล้วอัลลอฮ์ทรงรับฟังสิ่งที่เรากำลังอ่านแล้วหลังจากนั้นเราอ่านม่าไงต่อครับอัลหะม์น์อุบลฮิมอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าไงครับบ่าวของข้าได้พูดยกย่องข้าแล้วยกย่องอัลลอฮ์ด้วยความที่พวนั้นเป็นผู้ที่มเมตตา อ, อ, อัลลอมันอัลลอฮฮิมอัลลอฮ์พูดกับวรรคที่สองที่เราอ่านหลังจากม่มมนับอิสลามอัลลอฮ์มั่นอัลลอฮ์ฮิมมาลิกิลมิตีนแปลว่าอะไรครับผู้ที่เป็นจำมสิทิดผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างเด็ดขาดในวันแห่งการตอบแทนพอเราอ่านปุ๊บอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าบ่าวของข้าได้มอบหมายแก่ข้าแล้วได้มอบความยิ่งใหญ่ให้แก่ข้าแล้วอัลลอฮ์พูดตอนเาอ่านฟาติฮ์ หลังจากที่เรามาลิกียยวมิตีนอียากาณะอบูดูว่าอียากาณัสไทนเมื่อเราอ่านอายานี้อ้าเราจะบอกว่าไงครับอายันี้แปลว่าอะไรนะอียากาณะบูดูอียาะาณัสนเฉพาะพงครับแล้วก็เฉพาะพงเท่านั้นที่พวกข้าขอความช่วยเหลืออ้ลอเราก็จะบอกว่าไงครับอลาผู้ทรงสูงทรงก็จะบอกว่านี่เป็นเรื่องระหว่างข้าและบ่าวของข้า คือส่วนแรกเป็นส่วนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกทั้งหมดนี่คือส่วนของข้ะแต่พอมาอียะกันะโมดูอียกนะยกนะันนะศีนอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสรงจะบอกว่านี่เป็นส่วนระหว่างเราระหว่างอัลลอฮ์กับเราที่กําลังอ่านทําไมเป็นถึงระหว่างสองฝ่ายครับเพราะเราบอกว่าตัวเราจะขอทําการกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์อันนี้คือส่วนของอัลลอฮ์แล้วตัวเราจะขอความช่วยเหลือจากพงคือพองค์จะให้ความช่วยเหลือแก่เรา ก็คือทั้งสองฝ่ายเป็นสองทางแล้อยะกาณะบุดว้วอียะกาณ์สตาอินเมื่อบ่าวของข้าพูดว่าอิดีนัสซิรอตุลุสตากีมจนจบไปว่าอะไรครับโปรดนำทางเราสู่หนทางที่ถูกต้องหนทางที่ไม่ใช่ผู้ที่พงกดเกี้ยวแล้วก็ไม่ใช่หนทางของผู้ที่หลงผิดอัลลอฮ์ผู้ ส, งสูงส่งก็จะบอกว่าส่วนนี้แหละคือส่วนของบ่าวของข้าแล้วบ่าวของข้าจะได้ตามที่เขาขอ ฮาดะหรอัปดีวาลีอัปดีมาสอันนี่แหละคือส่วนของบาวของข้าแล้วเขาจะได้ตามที่เขาขอเป็นซูร์เลาะเดียวเท่านั้นในอัลกุรอานที่เอาเลาะจะให้ความสําคัญกับคนทุกคนที่อ่านถึงขั้นว่าพระ อ, องค์พูดต่อหลังจากที่เราพูดจบทุกอายะแล้วก็พอม า, อายะสุดท้ายเลาะบอกไงครับนี่แหละคือส่วนของบ่าวข้าเต็มๆแล้วบาวข้าอยากได้ความรอดพ้นบาวข้าอยากให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องถ้าเขามีความปรารถนาในเรื่องนี้อย่างแท้จริง เขาจะได้ตามที่เขาขอนี่คือส่วนของบาปของข้าแล้วบาปของข้าจะได้ในสิ่งที่เขาขอเพราะฉะนั้นจากฮะดิษบทนี้ครับที่ทัลบีมัสลลัมของอะลัยสลามทำให้เรารู้ประการแรกรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เราไม่ต้องไปห่วงเลยว่าอัลลอฮ์จะได้ยินไหมอัลลอฮ์จะรับรู้ไหมคนทั้งโลกยิ่ละหมาดพร้อมกันหรือจะขอดูอาพร้อมกันขนาดฟาตีฮ์ที่ว่าวันหนึ่งคนทุกคน17บเจละกาถูกไหมครับ17รเจะกาต้องอ่านฟาติฮ์ทั่วโลก ท่านนบีบอกให้รู้ว่าทุกวักที่อ่านอาลัลลอ์จะพูดกับเขาเลยต่อให้เขาไม่ได้ยินต่อให้เขาไม่ให้ความสำคัญกับพระ อ, องค์แต่พระ อ, องค์ให้ความสำคัญกับเขาเสมอแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราขอโดยที่เราไม่อยากได้อลัลลอฮ์ก็ไม่ให้บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคนบางคนละมาแต่ก็ยังเป็นคนชั่วร้ายอยู่ทาไมคนบางคนละมาดอย่างลักขโมยทำไมคนบางคนยงอย่างนี้ทไมการละมาด ไม่ทําให้เขาหยุดยั้งจากการทําความชั่วเราก็ตอบได้ง่ายๆเลยว่าก็แปลว่าเขายังไม่ได้ละหมาดที่แท้จริงเพราะท่านอับดุลเบี๋ยมสุลต่าบอกว่าไงครับคนบางคนละหมาดเขาอาจจะได้แค่สี่ในสิบสอบตกสามในสิบบางคนได้หนึ่งในสิบได้ซ้ําแปลว่าไม่ใช่ทุกคนที่ละหมาดอัลลอฮ์จะรับไม่ใช่ทุกคนที่ละหมาดแล้วอัลลอฮ์จะรับ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องไม่มีสมาธิบางครั้งแค่พลาดจากการทำน้ำละหมาดอย่างที่ซบาบะท่านมีท่นานหนึ่งที่ว่าท่านพลาดพังแล้วก็ล้างเท้าไม่สะอาดล้างเท้าไม่เกี่ยงละหมาดเสร็จแล้วนบีบอกยังไงครับจงกลับไปละหมาดใหม่เพราะคุณยังไม่ได้ละหมาดออรเชฟเฟอลลีฟอินนักแกลมตุสซลลสุภาอัลลอฮ์ซบาบะท่านนั้นอัลล์มตาอยู่กับนบีนบีบอกแต่พวกเราล่ะ บางครั้งเราละหมาดก็ละเลยไปมั่งบางทีละหมาดก็รีบๆทำให้จบบางทีละหมาดก็ขนอะไรก็ไม่รู้เข้าไปในละหมาดเข้าเฝ้าหาลเราเราขนดินยาทั้งหมดไปอยู่กับเราไปคิดต่อตอนละหมาดในขณะที่เราท่านให้ความสนใจเราแล้วอ่ะให้ความสําคัญกับเราแล้วแต่เรากลับเลือกละทิ้งจุดตรงจุดนั้นไปเดือดกับภาคผลดุนยาหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นสุรฟาร์ติฮะเป็นหนึ่งในสุรรที่มีความสําคัญมากที่สุดสําหรับมนุษยชาติ เพราะมันคือทางนํามันคือความรอดผลมันคือการรอดผลแล้วมันคือความผูกพันระหว่างพระเจ้าและมนุษย์เพราะฉะนั้นเวลาเราละหมาดครับอยากใ ห, ให้ความสําคัญกับสุราฟาติฮ์ให้มากขึ้นเวลาอ่านค่อยๆ อ, อ, อ่านไม่ต้องรีบปกติเวลาท่านอิบราฮิมัสละลองมาเลย์ซัลท่านจะทำการละหมาดท่านจะอ่านแบบช้าๆอ่านแบบไพโรนะครับแล้วก็หยุดเป็นจังหวะหยุดเป็นอายะเป็นอายะอายะคือลมหายใจเดียวท่านจะไม่อ่านให้จบฟาติฮ์ คือปัจจุบันบางทีมีการแข่งขันระหว่างนักเรียนตอนผมเรียนก็มีแข่งกันเอาใครทําได้บ้างอ่านฟาติฮ์ให้จบในลมหายใจใเดียวแล้วก็แข่งกันแล้วพอทําได้แล้วมันรู้สึกโอ้ฉันเจ๋งฉันแน่ซึ่งพอมาคิดดูตอนนี้มันไม่ใช่เจ๋งมันไม่ใช่แ น, น, น, น่มันเป็นการไม่ให้เกียรติอัลกุรอานมันเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ที่ว่ารอจะรอจะเจอเรารอจะให้ความสําคัญกับเราอยู่ พูในส่วนของสุรภัติฮะนี่คือส่วนที่ผมอยากจะขอปิดในสุราฟาัติฮะครับซึ่งก็หวังว่าน่าจะาสมบูรณ์ระดับหนึ่งถ้าเกิดมีความหมายส่วนหนึ่งส่วนใดที่ว่าท่านพี่น้องท่านใดอยากจะเสริมก็ยินดีนะครับในส่วนของสุราฟาัติฮะแล้วพอจะเคลียร์เนาะสุรานี้มุสซิมต้องให้ความสําคัญมากที่สุดเป็นสุรแรกที่มุสซิมต้องท่องจําให้ได้แล้วก็เราต้องพยายามออกเสียงให้ชัดเจนที่สุดในส่วนของสุราฟาัติฮะมันจะมีบางอายะห์ที่ว่าบางครั้งอ่านผิด อ่านเพี้ยนกันเยอะแล้วความหมายมันจะเพี้ยนไปไกลเลยผมขอยกตัวอย่างมาสักสองสาที่เผื่อจะได้ให้พวกเราระวังกันไว้คือเราทำไม่ดีที่สุดคือเราไม่บังคับใครเกินความสามารถใครอ่านได้แค่ไหนแค่นั้นพยายามเต็มที่แล้วมันอ่านได้เส้เนียนแค่นั้นก็แค่นั้นล้อไม่เอาผิดแต่ขอให้พยาพยามก่อนพยายามก่อนสิ่งที่มักจะผิดกันแล้วมันอันตรายอายะที่2ไม่รวมบิสมิลลา อายะห์ที่สองก็คืออัลฮัมดุลิลละฮิรับบิลอาลีมีนบางครั้งเวลาเราอ่านนะครับบางครั้งมันจะเผยมีเสียงสะท้อนออกมาเป็นอัลละมไม่ใครพลาดมั่งอัลละห์มอัลละมดุลิลละฮิรับบิลอาลีมีนบางทีมันมันออกมาเองมันออกมาเองบางครั้งผมก็พลาดเหมือนกันเราบอกตอนแรกว่าอัลฮัมดุลิลละแปลว่าอะไรนะครับมวลการสารเสริญถ้าอัลละหมเนี่ยมันจะแปลว่าเหนือ มันจะกลายเป็นว่าก้อนเนื้อเป็นของอันล้อความหมายคนละเรื่องเลยเนาะอัลฮัมดูดูนี่ก็เกินมาครับอันนี้ระวังนิดนึงอัลฮัมดต้องเป็นอัลฮัมดูอัลฮัมดูอัลอ่าแล้วให้เสียงมันหายไปเลยหยุดไปเลยก็ได้อัลฮัมดูถ้าเกิดบางท่านที่ยังแก้ไม่ได้บางท่านเคยชินไงอ่านอัลฮัมดมานานแล้ว วิธีที่แจ ง, ง่ายเลยอ่านแล้วหยุดไปเลยอัลหยุดไปเลยอัลหยุดวันสเปนหนึ่งอัลทำดูลินแล้พยายามฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีขึ้นมันครับผมเองก็เป็นครับผมเองก็เป็นผมเองก็ต้องแก้ก็ต้องพยายามแก้บางทีมันรีบบางทีมันรีบเ <c oughs> พราะแทนที่จะขอบคุณอัลลอฮ์จะกลายเป็นยกเนือให้กับอัลลอฮ์ไปซะมันก็ไม่ใช่นะครับ <c oughs> อ้าวอัลฮัมดูลิลลาฮิรอบบิลาลาอิลามีนตรงช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรละ อะรอฮ์อะ ร, ร, รอฮ์มาเนื้อรอฮีมตรงนี้ที่ว่าอาจจะพลาดการจานเป็นอะรอฮ์มานไปเลยอะ ร, ร, รอฮ์มานเนื้อรอฮีมอันนี้ออกเสียงผิดต้องเป็นอะรอฮ์มามามอมาสลาอะ ร, ร, รอฮ์มาเนื้อรอฮีมตรองรอฮ์มานตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่าผู้หญิงจะออกเสียงมีลปัญหานิดหนึ่งตัวฮาเล็กฮาเล็ก รอ้รอร้อส่วนใหญ่จะรวมกันระหว่างฮาเล็กกับฮาใหญ่ฮาใหญ่นี้เป็นรอรอนี่จะเป็นเสียงพยายามแผล บ, บเอาเท่าที่ได้รอมาเนื้อรอหีมไม่ใช่เรอ้อหีมนะบางครั้งจะไปอ่านเป็นรอจะเป็นรอหีมมันต้องเป็นรอรอหีมเอารอมานื้อร อ, ห, รรอหีม ต่อไปมาลิกิลมิดดีนอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรต่อไปครับอียากะอียากะตรงคำว่าอีนะครับฮามซากับยามีชัดนะตัวยาต้องเน้นอ่านแล้วเหมือนเหยียบเสียงอ่ะอียากะอียากะอียะกะนะนะบูดูตัวอีนะอียะกะนะบูดูว่าอียะกะนัสต่างิน ตัวอีนก็พยายามต่อไปครับที่มักจะผิดกันอีอีส่วนใหญ่จะเป็นอหรือว่าเอความหมายขอเล่เรื่องเลยมันจะกลายเป็นตาฮัดดีแปลว่าท้าทายอีดีนะัสซิ อ, อมันจะแปลเหมือนกับว่าจงท้าทายหรือว่าอะไรประมาณนั้นมันถ้าเป็นอีอีพยายามกดเสียงให้อยู่ข้างล่าง่ะครับอ d ดีนะัส สิรอตัลมุสตะกีมตัวนี้ก็ใช้ได้ต่อไปก็สิรอตัลลาดีน่าวักนี้จะยากหน่อยอันอัมอันแรกฮัมซะอันอันต่อไปตัวอีนอัมอันอัมตาอันอัมตา ع ل ي ه م غ ي ر ا ل م ดู มักไม่ต้องมีเสียงสะทอนนะไม่ต้องเป็นมักเลยมาดูบีอเลยฮิมว์ฟวอร์ฟจะรักเสียงยาวเพราะลามายุทธลาเวร์เฟทีนี้ครับดอกับลีนคิดว่าอันไหนอันยาวกว่ากันดอนดอ น, นะครับอ่าดอนยาวกว่าลีนนะดอลลีนแล้วอามนอันไหนยาวอันไหนสั้น อายาวมีนสั้นอันนี้คือที่เรามักจะพลาดกันจริงๆมัดบดันอาต้องสั้นอาอ่านแค่สองคาโอกะมีนมีนยาวเลยเพราะเป็นอาริทิสุกูลอันนี้ความเคยชินนะครับทางบ้านเราผมก็โตมาแบบนี้ก็คือโตมาอายาวไว้ก่อนมีนงั้นสรุปต้องอาสั้นเนาะมีครับอานี่สองาโรกะประมาณนั้น อาเมนไปว่าอะไรใครรู้บ้างครับตอบรับครับก็บ ค, บคือก็จะคล้ายๆกับของคริสเตียนคริสเตียนคือเอเมนความหมายเดียวกันก็คือขอพระเจ้าตอบรับอาเมนกับเอเมนนะแต่เราเป็นภาษาหลับแล้คืออาเมนเรื่องการหลับเสียงคงไม่เน้นกันไม่ไม่ใช่ทีน่นี่ถ้าสนใจก็คือสุกร์เสาร์ที่อาจารย์ซาร์ใช่ไหมครับผมบไปตรงนั้นละกันเพราะอาจารย์เขาออกเสียงชัดกว่าผมงั้นตอนนี้เรามาส่วนของสุรขอโทษทีสุระต่อไปก็คือสุร์อันเนส กู๋เออโม่จะไปรับบิลเนสหากอยากจะรู้จากข้อเท็จจริงของมนุษย์ต้องศึกษาสุรนี้และหากอยากจะรู้ข้อเท็จจริงของอัลลอฮ์ต้องศึกษาสุร์อัลอิคลัสอยากรู้จักมนุษย์สุรนี้เลย อยากรู้จักกัลเหรอซูราะอิคลัสซูลาะเดียวชัดเจนตอนนี้เรามาทําความรู้จักตัวเองก่อนบางคนบอกฉันก็อยู่กับตัวเองมาตั้งนานแล้วฉันรู้จักตัวเองดีรู้จักดีนั่นแหละแต่เรามาย้ํามาเน้นตรงที่ควรเข้าใจให้มันเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นซูราะอันนัสครับเป็นซูราะสุดท้ายในคัมภีร์อัลกุรอานเรียงตามลำดับนะครับผมเป็นซูราะที่สุดท้ายแต่ไม่ใช่ซูราะสุดท้ายที่ถูกประทานมาเนาะเพราะเรา เผื S <S. <S. ่อบางท่านไม่เข้าใจผมขอสรุปย้ำนิดนึงนะครับผมคำภีอัลกุรอานที่เอาเลาะประทานมาให้กับท่านนบีมุสลลัลของอะลัยฮุสสลามเนี่ยตอนนี้จึงอยู่อยู่ต่อหน้าเราเลี้ยงเป็นเล่มแล้วมีการเรียนดับเป็นสุราะเรียบร้อยแล้วแต่ในยุคสมัยท่านนบีมุสลลัลของอะลัยฮุสสลามเอลเลาะได้ประทานกุรานมาทีละส่วนทีละส่วนส่วนแรกก็อิกรออิกรอบิสุลาะบิการดีคขาละข้าอาญาแรกหลังจากนั้นก็ส่งประธานมาสุลาะอื่นสุราะอื่นสุลาะอื่น คือไม่ได้ส่งสุลอฮมาหนึ่งจนจบแต่พวกอัลลอฮ์ประทานแต่ละส่วนมาตามความเหมาะสมของสถานการณ์อย่างมีคนมาหานาบี๋และถามอบีบอกว่าช่วยบอกฉันเกี่ยวกับข้อแท้จริงของวิญ ญ, ญาณหน่อยสิอัลลอฮ์ก็ประทานอายะกุราน ล, ลงมาหลังจากที่หายไปสองสมรารักษ์ประทานมาว่ายะสลูละกันยูรุกุริยูรุมินอัมลิรอบบีพวกเขาจะมาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของวิ ญ, ญญาณจงบอกเถิดว่าวิญ ญ, ญาณ น, นั้นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์และพวกเจ้าไม่ได้ความรู้นอกจากเพียงเล็กน้อยหรือว่าอะไรทํานองนี้ครับผม คือพอมีเหตุการณ์ปุ๊บพวกเลาก็จะประทานอายะคุรานส่วนนั้นมาเพื่อเป็นการอธิบายเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเวลามีอายะคุรานมาท่านเบียร์สซัมก็จะเรียกบรรดาสาฮบะที่ว่าเป็นผู้ที่ท่องจำแม่นอย่างเช่นท่านไอรีอย่างท่านอบูบักอย่างท่านอุมักใครก็ตามที่ว่าเป็นทำหน้าที่บันทึกอัลกุราน ท่านอบีก็จะบอกว่าตอนนี้เราพัฒน์อาอย่านี้มานะอาย่านี้ไปรวมกับอาย่านี้นะเป็นบทเดียวกันนะอาย่านี้ไปรวมไปอาย่านี้เป็นบทเดียวกันพอกุรอานประทานมาปุ๊บจนครบสุร้อนอับีก็จะบอกซอบาบะทีว่าอันนี้วนนรวมกันเป็นสุระอนนี้นี่รวมกันเป็นสุระอนนี้จนกระทั่งว่าครบหนึ่งร้อยสิบสี่สุร้ก็คืออยากให้รู้ว่ากุรอานเนี่ยเราไม่ได้ลงมาทีเดียวเล่มหนึ่งปึ้งเลยแต่ลงมาทีละส่วนซึ่งข้อดี มากมายลงมาทีส่วนฝริดมากมายหนึ่งในนั้นก็คือทําให้จําง่ายและนี่แหละคือหลักในการท่องจําอัลกุรอานเวลาจํากุรานแล้วสังเกตดูกุรานจะแบ่งเป็น30ยุษใช่ไหมครับการแบ่งเป็น30ยุเพิ่งมาแบ่งกันทีหลังถามว่าทํำไมถึงแบ่งครับที่แบ่งเป็น30ยุษเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะอ่านกุรานให้จบเล่มในเดือนอัมดอนเพราะเดือนอมดอนมุสลิมอยากอ่านตัวดังให้จบเล่มใช่ไหมครับ แล้วพอมาเจอทางเล่มร้อยสิบสี่ส่เราอ่านแล้วไม่จบบาคาร์ล้อสักทีเนี่ยมันท้อไม่ท้อนะยิ่งยาวๆมันท้อท้อท อ, ท อ, ทอนักวิชาการเขาก็เลยว่าเราแบ่งกุอานเป็นสามสิบส่ว น, นคุณแบ่งยังไงก็ได้ถ้าคุณอ่านวันละหนึ่งส่วนถ้ารอมฎอนมีสามสิบวันคุณจบเล่มแน่ก็คือเพื่อให้ง่ายขึ้นแล้วทีนี้ในการท่องจํานักวิชาการก็มีการแบ่งอีกแต่ละยุคแบ่งเป็นสองส่วนที่เรียกว่าฮิสแต่ละส่วนแบ่งเป็นอีกสส่วนย่อย มีส่วนช่วยในการท่องจํากุรานถ้าได้มีกุรานเปิดมาก็จะจะมีส่วนที่เขาเขียนเป็นรูปจะมีส่วนที่เขียนเป็นนิสส่วนที่เขียนเป็นฮิสก็คือเพื่อง่ายต่อการท่องจําเพื่อง่ายต่อการท่องจําแล้วก็ข่าวดีสําหรับทุกท่านนะครับการท่องจํากุรานไม่มีคําว่าสายไม่มีคําว่าสายพี่ชายผมอาจารย์อานัสเมื่อก่อนเคยสอนผู้ใหญ่อายุ70กว่าปีท่องฟาติฮะได้ เขาบอกตลอดชีวิตไม่เคยอ่านฟาตียาได้เลยแต่พอมีใจปุ๊บอัลลอฮ์ให้ฮิดายะกุรอานไม่เหมือนคาําพิอื่นในโลกถ้าคนที่เปิดใจเข้าหาอัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์ใช้ความง่ายได้แก่เขาแต่ใครก็ตามที่ไม่ให้ความสําคัญกับกุรอานมันจะไปจากเขาง่ายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดอยากต้องจํากุรอานอายุไม่ใช่ปัญหาอายุไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าท่านบีนรรอับดุลโมสลามเริ่มจํากุรอานตอนอายุ40่สปี กุรานประธานสมบูรณ์ก็คืออายุหกสิกว่าปีหกสิบสาปีโดยประมาณท่านก็ยังจํากุรานได้ทางเล่มเพราะนั้นอายุไม่ใช่อุปสรรคก็เริ่มจากง่ายๆครับเริ่มจากให้ความสมคัญกับฟาติฮ์หลังจากนั้นก็สุรษะสั้นๆที่เราพอจะได้ถ้าใครมีความสามารถกว่านั้นละร้อยความสามารถก็ไปเท่าที่เราจะไหวแต่ที่แน่ๆใครที่ให้ความ ส, สมรรําคัญกับกุรอานเขาจะเป็นอาลุลกรออุรานเป็นชาวกรออุรานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ร้อยรักมากที่สุด เราลกลับมาสุรานแอสครับสุรานแอสเนี่ยอัลลอฮ์เริ่มด้วยกับหลังจากที่ว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์อิมกุลอาอูดุบิรับบินแอสอัลลอฮ์เริ่มด้วยกับคำว่ากุลจงกล่าวจงประกาศจงพูดอัลลอฮ์สัง่งใช้ท่านอบับดุลลอฮ์มูสลิมอัสสลามหมายความว่าไม่ใช่แค่ทำความเข้าใจไม่ใช่แค่ยอมรับแต่ต้องประกาศให้รู้กันด้วย โงการเถิดมูฮัมห ม, มัดและใครก็ตามที่ตามแนวทางของมุฮัมหมัดอูซุบิลรับบินนัสเดี๋ยวเราดูความหมายกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยอธิบายว่าทำไมผมบอกว่าหากอยากรู้จักมนุษย์ต้องมาศึกษาสุร้อนนี้เราแปลให้จบอายักก่อนกุลาบอุสลับบินนัสแปลว่าจงการเถิดมูฮัมหมัดฉันขอความคุ้มครองขอต่อใครครับรับบินนัสถ้าสังเกตดูในกุรอานอย่างในสุร้อนเนี่ย ปกติชื่อที่เรามักจะรู้กันคืออัลลอฮ์ถูกไหมครับถ้ามีปัญหาแล้วก็ขอด้วยกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ตอนนี้ฉันเดือดร้อนยาอัลลอฮ์เนี่ยฉันขอให้ความช่วยเหลือฉันด้วยยาอัลลอฮ์ฉันมีหนี้สินยาอัลลอฮ์โปรดเมตตาฉันยาอัลลอฮ์โปรดให้ไผ่โทษปกติถ้าเราขอลาจากอัลลอฮ์เราจะขอด้วยกับชื่อชื่อเดียวก็คืออัลลอฮ์แต่พอเรามาดูในสุรานเนสอัลลอฮ์ Allah ไม่ได้บอกว่ากุลอาอูซุบินละจงกล่าวเถิดฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ แต่เราใช้คําว่าฉันขอความคุ้มครองต่อผู้ที่ดูแลมนุษย์รบบุนแปลว่าผู้ที่ดูแลผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่เมตตาผู้ที่สอดสองพูดผู้ที่เอาใจใส่ผู้ที่ว่าทั้งหมดที่ทําให้คนอยู่ได้เนี่ยดูแลทั้งหมดเนี่ยคือคําว่ารับบุญตอนเนี้ฉันอยากได้ความคุ้มครองนะฉันขอต่อผู้ที่ดูแลฉันมาตลอดชีวิตตรงไหมครับตรงเลย เพราะนั้นจากที่เราได้ในสระอั น, นาสนะครับประการแรกเลยนะครับสิ่งที่มุสลิมเราต้องพยายามทำให้ได้เวลาเราจะขออวาจากอัลลอฮ์เรารู้ว่าพระองค์มีพระนามมากมายถูกไหมครับพระนามมันไยจิตของเรามีมากมายเวลาเราอยากจะขออัลลอฮ์ในด้านไหนพยายามขอโดยใช้ชื่อของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับด้านนั้นยกตัวอย่างตอนเนี้เรารู้สึกผิดเราทำสิ่งไม่ดีมาเยอะแล้วเราอยากขอไปโทษต่ออัลลอ์ เราก็จะบอกว่าโอ้ผู้ที่ให้อภัยโทษโปรดให้อภัยโทษแก่ฉันด้วยโอ้ผู้ที่ให้อภัยผู้ที่ไม่ถือสาวแก่เบาวของพระ อ, องค์โปรดอย่าถือสาแก่ฉั น, นก็คือยากรฟร์ยากอฟรูรการเลือกใช้ชื่อที่เหมาะกับด้านที่เราจะขอเป็นหนึ่งในมารยาการขอด้วยว่าที่ว่าเป็นแบบอย่างจากท่านอบีมูฮัมมัดสุลตานของอัลลอฮ์สุลตานแล้วก็เป็นแบบอย่างจากกุราอานเพราะที่เราดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ใช้แค่คําว่าอัลลอฮ์ แต่จะมีหลายคำอันเนสก็โรบินเสฟาลักก็พูดเอซเบโรปินฟาลักมีชื่อหลายชื่อซึ่งเราจะค่อยๆว่า ก, กันไปผู<ม>้ที่ดูแลมนุษยชาติผมไม่ต้องพูดถึงว่าดูแลอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เราเป็นวุ้นและอยู่ใน อ, อ, อยู่กับพ่ออยู่กับแม่ตั้งแต่เราคลอดมากล้ามเนื้อเซลล์ทุกอย่างสุขภาพอากาศอาหารทรัพย์สินดิสกี้ความเป็นอยู่ฝนต้นหมากลากไม้อะไรทั้งหมด อ, อล้อดูแลมาเพราะนั้นตอนเนี้เราขอความคงจากลก็คือ โอ้พระเจ้าฉันขอความคุ้มครองต่อทั้งผู้อธิบาลแห่งมุสเซียชาติผู้ล่าอุสรา บ, บินเนสมาลิกินเนสผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในมนุษย์อย่างแท้จริงอย่างเบ็ดเสร็จผู้ที่เป็นเจ้าของมนุษย์นะครับมาลิกินนนสเราขอความคุ้มครองต่อพระองค์มาลิกินเนสผู้เป็นเจ้าของเราอีลาหินเนสอีลาหินเนสอีลาหุ ภาษาอังกฤษแปลตรงตัวเลยแปลว่าก็อตเลยก็อตแปลว่าพระเจ้าหรือผู้ที่ถูกกราบไหว้นี่คือความหมายของคำว่าอีล่าคุณอีล่าฮินนสัสหมายถึงผู้ที่ถูกศั ก, กระโดยมนุษย์อีลาฮินนสัสคุณเหล่าสวาินนสฉันขอความคุ้มครองต่อผู้ที่บริหารดูแลมนุษย์ผู้ที่เป็นเจ้าของมนุษย์ผู้ที่ถูกกราบไหวโดยมนุษย์ เราขอผ่านสามชื่ออันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจปกติเวลาเราจะขออะไรก็ตามหรือในกุรานเนี่ยเอารอจะเอ่ยพระนามเพียงพระนามเดียวอย่างกุลออูสุร บ, บิลฟะลักจงกล่าวเถอฉันขอความคุ้มครองต่อผู้ที่เป็นเจ้าของแห่งรุ่งอรุณขอความคุ้มครองให้พ้นจากสามสี่ อ, อย่างปกติใช้ชื่อเดียว แต่ในสุร้นี้ใช้ถึงสามชื่อของพระ อ, องค์เพื่อขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากสิ่งสิ่งเดียวแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรากาลังจะขอต่อไปนี้มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากถึงคั้นว่าถึงขั้นว่าต้องใช้ถึงสามพระนามของอัลยาผู้ที่ดูแลมนุษย์นะผู้ที่เป็นเจ้าของมนุษย์นะ ผู้ที่ถูกก่าวว่ายโดยมนุษย์นะฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์มินชับริลวัซเวซิลคอนนัสให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของการกระซิบกระซาบของคอนนสัสเพราะจุดเริ่มต้นเพราะจุดเริ่มต้นของความชั่วร้ายทุกอย่างที่เราทำ เกิดจากการถูกกรซิบกระซาบทุกความชั่วร้ายบนโลกนี้ทุกความชั่วร้ายที่มีอยู่บนโลกนี้ทุกครั้งที่เราโกรธแล้วเราไปอาธรรมคนอื่นทุกครั้งที่เราท้อจากการเป็นมุสลิมทุกครั้งที่เราขี้เกียจจากการละหมาทุกครั้งที่เราขี้เกียจจากการเป็นคนดีทุกครั้งที่เราอยากจะคดโกงคนอื่นทุกครั้งที่เราอยากจะหลอกลวงคนอื่นอยากจะทําร้ายคนอื่นทุกครั้งที่จะเกิดความชั่วร้ายเกิดจากการกรซิบกาะซาบ ของคนนะ่อนแน่ซาเนบีมัสโซลลอยหรืออะไรสลามบอกไว้ครับว่าแท้จริงชัยตอนเนี่ยมันเลือกที่นั่งเป็นหัวใจของเราคือชัยตอนที่อยู่ประจําตัวเราที่เรียกว่ากรีนคือชัยตอนอยู่ทั่วไปถูกไหมครับแต่แต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษได้ชัยตอนเฉพาะเขาเรียกว่าเอ็กซ์คลูใช่ไหมครับชัยตอนแบบว่าคลูไม่ต้องแบ่งใช้กับใครส่วนตัวเลยชัยตอนที่ว่าเนี่ยครับมันจะนั่งอยู่บนหัวใจ แล้วถึงเวลามันก็จะคอยทิ่มใจเราให้เราคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีคิดต่สิ่งที่ชั่วร้ายที่มันจะทำให้เราเสียคนที่จะทำให้เรานั้นถูกอัลลอฮ์รังเกียจทุกอย่างเท่าที่มันจะคิดได้แล้วต้องอย่าลืมครัว่าชัยตอนเฉพาะตัวเนี่ยหน้าที่ตลอดชีวิตของมันเนี่ยมีแค่ข้อเดียวทำยังไงก็ได้ให้เราชั่วที่สุดท่าเี่เป็นไปได้มีแค่ข้อเดียวเลย แตลอดชีวิตมันทุ่มให้กับเป้าหมายข้อเดียวแล้วคิดว่ามันจะทุ่มขนาดไหนมันต้องทําทุกอย่างแต่ต้องทุ่มสุดตัวเป้าหมายไม่อย่างเดียวอ่ะคือชีวิตมันไม่ต้องไปหาอะไรกินไม่ต้องทํางานไม่ต้องดื่มไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องทําอะไรเลยไม่มีภาระไม่มีอะไรสักอย่างเลยมีแค่อย่างเดียวทําไีก็ได้ให้เจ้าของที่มันอยู่เนี่ยลงนรกไปกับมันคือไม่ใช่แค่มันไม่มีอะไรต้องทํานะมันไม่มีอะไรต้องเสียด้วย คือคนที่ไม่มีอะไรต้องเสียเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดเห็นด้วยไหมครับคือเขาจะทําทุกอย่างที่เขาอยากจะทําเพราะเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงทําอะไรที่แบบคนปกติหรืววสิ่งมิชนปกติมันไม่มันไม่ทํากันไม่มีใครทํากันแต่ชัตอนตัวนี้คือมันไม่มีอะไรจะทําแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเป้าหมายมันก็มีแค่ข้อเดียวทํายังไงก็ได้ให้เราลงนรกเพราะฉะนั้นเวลาเรารักใครสักคนอาารืสามีภรรยามองหน้ากันเหมือนจะรักกันชัตอนมาแย่และ ดูสิทําไมภรรยาไม่ยอมเสรเิร์ฟน้ําให้อดูสิสามีมันกลับบ้านช้ามันมัวแต่เล่นมือถือมันเล่นไลน์อะไรก็ไม่รู้ก็มันแป๊บเดียวความคิดผุดมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นร้อยบางทีคนนอนอยู่เฉยๆครับเราตัดสินเขาได้เป็นร้อยเรื่องแล้ว <c oughs> อันนั้นแอดูไปได้น่าดูไปได้ครับรับมีเดิมจบอ่าผมไข้เผาครับมีเรื่องหนึ่งครับผม เออผมเผาออกสื่อได้ก่อภรรยาที่รักคนที่อยู่ในพี่น้องทางบ้านอุทิศไว้นะครับมีครั้นหนึ่งภรรยาผมตื่นมาครับแล้วก็หนูจีดผมหนูจีดผมผมก็เอ๊ะที่รักวันนี้เป็นอะไรเหรอนภรรยาบอกไงครับเขาเรียกว่าผมก็ครูนะคือผมกินสมพานกินไก่วัดแต่งงานกับลูกศิษย์เขาเรียกก็ครูอ่ะนอกใจหนูในฝันนะ่ะ ครับไปดีจะขอโทษยังไงดีขอโทษดีท่าไหนคือไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ใช่เหมือนตั้งใจมันก็ไม่ใช่ก็แบบคือแบบใช่ตอมันสันหายจริงครับคือใครเคยไหมครับแบบบางบางครั้งแบบเราตื่นนอนอ่ะแล้วตื่นนอนมาแล้วมันรู้สึกทั้งวันมันแย่ทั้งวันอาจจะฝันอะไรค้างคือมันมันไม่ใช่ความจริงสักอย่างเลยไง มันเป็นความฝันแต่ใช้ตอนมันสามารถทําให้วันทั้งวันของเราอ่ะเป็นวันที่หม่นหมองเป็นวันที่เศร้าเป็นวันที่แย่โดยที่เราอยู่แค่บนเตียงแสดงว่ามันมันหาช่องที่จะเข้าทําลายเราปุับเพราะว่ามันรับปากกับบรรลักษณ์ใช้คำว่ารับปากเลยมันท้าทายกับบลรลออไว้อเอาล่ะกับวในกุรานบอกว่าไงครับที่เบลิสบอกครับพี่น้องที่รักเบลิสบอกว่าไงครับแค่จะมาหาพวกเขาแค่ไปถึงพวกชัยตอน อิบลิสน่นะข้าจะมาหาพวกเขาทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างหมายความว่าแบบที่อาจารย์มานัสบอกก็คือทุกหนทางที่เป็นไปได้มันจะมาเพื่อทำให้เราเสียคนแน่นอนบางทีมาด้วยกับรูปแบบที่ดีรูปแบบที่ดีก็มีนะอย่างบางคนครับมีประสบการณ์เฉียดตาย คือจริงๆอาจจะไม่เฉียดตายเลยแต่ว่าช้ยตอนอาจจะอึมแล้วทำไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ไปเข้าฝันในช่วงที่รู้สึกเหมือนกับเฉียดตายเนี่ยนี่นะจริงๆแล้วแกควรจะตายนะแต่ว่าเนี่ยฉันมาเตือนก่อนจงนับถือศาสนาอิสลามนะมันเป็นศาสนาที่จะรอดพ้นฉันมาช่วยเหลือเจ้านะจงไปหาคนนั้นจงไปหาคนนี้แล้วจงไปหาของม บ, บูชาซะหายไปเหมือนจะดีไหมครับดูดีเหมือนจะดูดี ใช้ตอนไม่เคยดูดีใช้ตอนไม่เคยมีคำว่าหวังดีมันจะมีแต่หวังดีประสงค์หลายหลายครั้งที่ว่าใช้ตอนเหมือนจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่มันแฝงมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นยกตัวอย่างคนบางคนเด็กเล็กร้องปัจจุบันเขาเรียกโคลิกใช่ัหมครับโรคที่หมอมคิดยังไงก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรคือทำไมเด็กถึงร้องบางที่ใช้ตอนมันไม่แย่ไงแย่ยยให้เด็กร้องร้องร้องร้อ ง, องในเวลา เดิมๆทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันพ่อแม่ก็ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันเอาไงดีเอออะเออฉันได้ข่าวว่ามีหมอผีคนเ ก, เก่งแปลหมอผีปุ๊บหมอผีผูกเชือกให้อาผูกเชือกนี้นะเด็กจะฝันดีพอผลสุดท้เป็นไงครับใช้ตอนมันก็เล็กแย่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้สึกไงลูกเชือกนี้ห้ามให้ขาดเด็กขาด ห้ามหายลองถูกถ้าเกิดมันหายเมื่อไหร่ยิ่ง ต, ตนะมีไหมครับมีในมุสลิมเราก็มีคือชัยตอนบางครัง้งคือมันเป็นต้นเหตุแล้วไงมันเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อมันพบว่าเราทำสิ่งที่ชั่วร้ายกว่าอย่างเช่นเราทำชีริกหรือเราทำอะไรก็ตามมันก็ไม่ต้องแย่แล้วไงได้ตามเป้าหมายที่มันต้องการเราทำหนักกว่าที่เราควรจะทาแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันครับรับอาจารย์กันกอ Allahumma rabba า a f i ม h a t u taala srtil ม a y m ม t i m u h a i l a al i h abbasu w m a m i n a เดี๋ยวขอแก้ข่าวกันนะครับภรรยาผมน่ารักนะครับผมมีไม่แค่แค่บางทีก็สามีภรรยามีอะไรกันบ้างแต่ก็โดยรวมอดทอยู่ดิละครับผมพี่สาวผมไม่อยากทำหน้าจครับพี่สาวผมไม่อยางยิ้มแปลกๆออ ครับเอาเตรียมแกะก่อนตั้งแกะข่าวก่อนนะครับเดี๋ยวเดียวเอาลแล้วกลับมาที่สุรา น, นัสต่อนะครับผมอั vis นเดียูวัสวิสุฟิสูดูรินนะหลังจากที่เราบอกไงครับโอ้พระเจ้าฉันขอความคุ้มครองต่อพระ อ, องค์เนี่ยต่อผู้ที่ดูแลฉันต่อผู้ที่เป็นเจ้าของฉันต่อผู้ที่ฉันกราบไหว้ขอให้คุ้มครองฉันให้พ้นจากคอนเนสคอนเนสคือผู้ที่คอยกระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์ คือถ้าหมายถึงชัยตอนแบบเมื่อกี้ก็คือก็ชัยตอนที่อยู่ในใจเลยเอาล้อใช้คําว่ากระซิบกระซาบที่หัวอกสุดูดินัสปกติคนเรากระซิบกระซิบที่ไหนครับหูแต่เวลามันจีด๊ดมันจี๊ดที่ไหนจี๊ที่ใจแปลกนะมันเข้าหูนะแต่มันจี๊ดที่ใจนะเอาล้อเลยใช้ว่าคนที่กระซิบกระซาบที่เข้าไปในหัวอกเลยคือมันคับอกคับใจมันแขนมันอะไรมันอยู่ตรงนี้มันไม่จี๊ดตรงนี้ เาลาบอกประเด็นสุดท้ายครับมีเนลจินนติวันนสัสซุรนี่เาลาสอนอะไรเรามากมายเลยบอกว่าไอ้ที่มันมากระซิบเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ชัยตอนนะบางทีคนก็ทําหน้าที่คอ น, นัสเหมือนกันมีเนลจินนติวันนสัสทั้งที่มาจากยินมาจากยินที่เรามองไม่เห็นอยู่แล้วมันบังคับอะไรเราไม่ได้มีเนลจินนติวันนสัสทั้งที่มาจากยินแล้วก็ที่เป็นคน เพราะฉะนั้นครับที่อยู่ร่วมกับพวกเราในสังคมมีทั้งคนหวังดีประสงค์ร้ายหวังดีจริงๆหรือไม่ได้คิดอะไรเลยแต่แค่อยากพูดเฉยๆผมขอยกคาพูดกาเฟสหนึ่งรู้จักโซโครติสนะครับโซเครตีสนะเป็นต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าต้องบอกเป็นไงหัวหน้าสานักคิดปรชัชญาทางตะวันตกครับ ยุคก่อนคริสต์ศักราชแล้วประมาณสามสี่ร so ้อยกว่าปีโซเครติสครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนมาหาเขามีคนมาหาเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยโซเครตสคุณรู้ไหมเนี่ยผมได้ยินข่าวไม่ดีเกี่ยวกับญาติคุณมาญาติคุณเป็นคนไม่ดีกำลังจะพูดต่อโซเครติส so บอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณกำลังจะเอาเรื่องไม่ดีมาพูดให้ผมฟังใช่ไหมผมขอถามคุณสามคำถาม ถ้าคุณตอบได้ผมจะฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับญาผมถามสามข้อถ้าตอบได้ผมจะฟัง <c oughs> <c oughs> คำถามแรกสขติถามว่าไงครับ <c oughs> เรื่องที่คุณกำลังจะมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยคุณเห็นกับตาเลยใช่ไหมคุณมั่นใจว่ามันเป็นแบบนั้นเลยร้อยเปอร์เซ็นตใช่ไหม <c oughs> คนที่จะมาเล่าบอกว่าเออผมก็ไม่ได้เห็นกับตาผมได้ฟังมาแต่มันสาคั ญ, ญจริงๆสติบอกแป๊บแปบแปบ คุณกำลังจะมาบอกว่ามันสำคัญมากแต่คุณไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงเหรออ่างั้นขอคำถามข้อที่สองคำถามข้อที่สองเรื่องที่ผมจะได้ยินเนี่ยผมฟังแล้วผมจะสบายใจหรือผมจะไม่สบายใจเขาเขาบอกถ้าคุณฟังเดีวคุณไม่สบายใจแน่นอนโซการิบอกแป๊บนึงตอนนี้คุณมีเรื่องจะมาเล่าให้ผมฟังเป็นเรื่องที่คุณก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริง แล้วผมก็ไม่สบายใจแล้วคุณจะให้ผมฟังทำไมเขาก็บอกว่าแต่มันสำคัญนะสซอร์ตี้ก็บอกว่างั้นผมขอถามคาถามที่สามเรื่องที่คุณกำลังจะเล่าให้ผมฟังเนี่ยถ้าผมฟังแล้วมันจะเกิดผลเสียกับตัวของผมด้วยใช่ไหม <_ d ata> เขาก็บอกมันก็ใช่แต่ว่าโซกร์เคตี้บอกหยุดหยุดหยุด ตอนนี้คงกกำลังจะเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่คุณไม่รู้ว่าจริงไม่จริงผมฟังแล้วผมก็รู้สึกแย่แน่นอนแล้วมันเกิดผมเสียกับผมแล้วผมจะฟังไปทำไมคนที่พูดปุ๊บ ก, ก็พูดไม่ออกแล้วคือพอเร า, าฟังดูครับจริงอยู่เขาไม่ใช่มุสลิม <c oughs> <c oughs> เขาไม่ใช่มุสลิมแต่สิ่งที่เขาพูด สอดคล้องกับคําสอนอิสลามเลยแต่เราบอกไงครับอินจาอุคฟาซกุนบีนาบินฟาตาไบยะนูอันตุซีบูก้ามันบิจฮาระตินฟัตุบิอัลามะฟาลูณะไนมี <c oughs> อขออภัยครับช่วงท้ายผมจำไม่แม่นความหมายที่เราบอกในกู่อ่านว่าไงครับศรัทธาชนทั้งหลายหากว่ามีคนที่คุณไม่แน่ใจว่าเขาดีไม่ดีคนชั่วร้ายเอาข่าวอะไรมาให้คุณคุณต้องยืนยันก่อนยืนยันความถูกต้องก่อน เพราะถ้าคุณเผลอทําอะไรไปแล้วคุณอาจจะต้องมาเสียใจทีหลังด้วยความที่คุณไม่รู้แต่ว่าคาสอนของอิสรามครับในเรื่องการพูดเนี่ยอันตรายมากเอาล้อยความสําคัญกับเรื่องการพูดมากถึงขั้นมากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เป็นแบบใหญ่ผมเช้คำบาดใหญ่นะสิ่งที่เป็นแบบใหญ่ที่ทําง่ายที่สุดแล้วใจเราก็ชอบมากที่สุด คือการพูดเรื่องชาวบ้านเห็นด้วยนะผมก็เป็นผมก็เป็นผมก็เป็นแต่มันเป็นแบบใหญ่นะแล้วก็ทําได้ง่ายมากง่ายก็แค่พูดแคเข้ากลุ่มปุ๊บไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดเรื่องนี้และภาษาหลับเขามีภาษิตที่เรียกว่าฟาเกตุลมาเชลิสเป็นผลหมากลากไม้แห่งการพูดคุยคือพูดคุยแล้วมันอริดอร่อยเรื่องชาวบ้านแต่วันนี้ครับสุร้อนนะสิเรามาต่อการอาทิตย์หน้านะครับในประเด็นว่าหากอยากรู้จักมนุษย์ทําไมถึงต้องมา พูดคุยในสระอันนัสครับสำหรับวันนี้พูดสิ่งใดรบกวนร่วมเกินใครไปขอมาฟ์ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะบอกภรรยาว่ารักนะจุ๊บครับอาด้วยาปิดประชุมนะครับสุบายก็ลอมาไปทำที่กัลยาดูไลลันตาสักแบตูไรสลามวะอัลุ๊มรับตุลาบบารักกาตุ้ครับ